50 languages. ในโรงแรมการร้องเรียน u g a ฝกบัวใช้งานไม่ได้เลมาุติลลาไม่มีน้ำอุ่น บีซี่นิรูบรุดติลลคุณมาซ่อมมันได้ไหมคะอดั้นโน้ซารีพอดีซีโคดูวีรในห้องไม่มีโทรศัพท์โฮเตดีอัลลีทีเลฟลูฟนอิลล่ในห้องไม่มีโทรทศัศน์โคเนียลลีเทเลวิชันอิลลห้องไม่มีระเบียง โคตดีเก๋เมลุบปริเก๋ไม่ล่ห้องนี้เสียงดังเกินไปยี่โนยลีคำทจะสติห้องนี้เล็กเกินไปอี่โนตุมบาชิกกด้กิเดห้องนี้มืดเกินไปอี่โคนีคัตตาลกิเด เครื่องทำความร้อนไม่ทำงานโคนี่ฮีเตอร์เคลสมาดุติละเครื่องปรับอากาศไม่ทำงานฮวาเนียนตรกาเคลสมาดุติละโทรทัศน์ไม่ทำงานเทเลวิชันเกิติดเดดิฉันไม่ชอบเลย อันนั้นเกยิ่ตวากูดิละ่ะมันแพงเกินไปอันดุบารีคุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหมคะนิมมัลลียาวด่าดโรคดิไม่บลยดูอีเดยที่พักเยาวชนใกล้ที่นี่มีไหมคะอิน ล, ลีฮัตติรดัลลียาวดาดโร ยุวกะยุวติอาระวาสติกรหาอิดเมีเบดแอนด์เบรดเฟสใกล้ที่นี่มีไหมคะอิลี่หัติระดัลลี่ยาวุดาดัโรอัติติมีร้านอาหารใกล้ที่นี่มีไหมคะอิลลี่หัติระดัลลี่ยาวุดาดัโรฟลาฮารามัน